ยามสุริโยกำลังพลสาดแสงแจงสองถือกใบตองกลวยเหลี่ยมหยาบหยาบงามงาม น, น, น, นีเทวดาพินสีสายนาที่ฝาดฟงปานปะดังผะเหลียงฝ่าเมฆข้าคอยผัดลงองค์นาคาลาดไทยจังห้ม อ, อังห้วยมนบูซาองค์พระสัมมา มาแทนแล้ น้อยน้อยว่าเป็น